ช่วนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศการขึ้นปีใหม่ปีใหม่นี้ก็มีความหมายหลายอย่างความหมายนึ่งก็คือว่ามาตัตโอกา ส, สําหรับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่ดีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำในปีที่แล้วหรือพัดพรเราก็ ควรจะเริ่มต้นทำแต่เสิธจีถือว่าเอาเริ่มเอาชัยชจากวันขึ้นปีใหม่ <c oughs> อะไรที่เราพล <c oughs> ังพราดพลังเผลอไปแล้วก็ท้อแท้ <c oughs> เราก็ควรใช้โอกาสขึ้นปีใหม่นีเ้เริ่มต้นใหม่ทำใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม อีกความหมายหนึ่งของปีใหม่นะก็คือว่าเราได้มีอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีซึ่งก็หมายความว่ า, าเราลอดตายมาอีกหนึ่งปีแต่ในรายเดียวกันมันก็หมายความว่าเรากำลังเดินเข้าใกล้ความตายขึ้นมาอีกหนึ่งปี อันนี้คือความหมายของปีใหม่ที่ควรจะพิจารณาด้วยเพราะว่ามันคือความจริงหลายคนไม่มีโชคเหมือนเราก็คือเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้ไม่สามารถจะมีชีวิตที่จะรับปีใหม่อย่างเราแต่ในเราเดียวกันเราก็ไม่ควรจะยินดีในโชคนั้นเพราะว่า เรานะกำลังเดินเข้าใกล้ความตายขึ้นมาอีก1นปีเหมือนกันลองพิจารณาอย่างนี้ดูบ้างนะเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทการพิจารณาถึงความตายในลักษณะนี้เนี่ยนะไม่ถือว่าเป็นอัิมงคลนะในทางพุทศาสนาถือว่าเป็นมงคลด้วยซ้ำ เวลาพระสวดเนี่ยเจริญพุทธมนตรก็จะมีบทสวดบทนึงช่วมงค ล, ลสูตรมงคลละสูตรนี่ก็ว่าด้วยมงคลสามสิบแปดประการที่ทําให้ชีวจรรย์งด ง, งามหนึ่งในสามสิบแปดนคือความไม่ประมาทอะพมาโทจตธรรมเมสุกเอตมัมมงคาุตคารมุตตมังความไม่ประมาทในทางทั้งปวงข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด เวลาเราพูดถึงพรนะปีใหม่เนี่ยพราะว่าพรเนี่ยแปลว่าประเสริฐและทเราชาวพุทธไม่มีอะไรประเสริฐนอกจากธรรมะและธรรมะที่เป็นหัวใจเนี่ยของพุทธศาสนาเรียกว่ารวมคําสอนทั้งหลายทั้งปวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้ในธรรมะประการเดียว อันนั้นก็คือความไม่ประมาทด้วยเหนี้พระเจ้าเนี่ยจึงเปรียบเทียบว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นเสมือนรอยเท้าช้างที่รอยเท้าสัตว์ป่าทุกชนิดจะ ต, ต้องมารวมลงอยู่ในรอยเท้าช้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสือไว่าจะเป็นสิงห์นะมันก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ครุมหมด ภูมิลอยเท้าของสัตว์ป่าทุกชนิดฉันได้กฉะชนั้นอปัมมท ธ, ธรรมเนี่ยคือความไม่ประมาทก็เป็นธรรมะที่รวมหรือว่าครอบคลุมธรรมะทั้งหลายที่พระเจ้าได้ตรัสสอนตลอดประชนชีสิทธิพักตัโดยเหตุ น, นี้เนี่ยเพื่อ เ, เมื่อพระองค์จะแสดงสำคัรบริณีพานเนี่ยปัจฉิมโอวาท ครือคำสอนทรั้งสุดท้ายของพระองค์เนี่ยจึงมีแค่ประการเดียวก็คือความไม่ประมาทปัจเจมว่าเนี่ยพรองค์ตรัสว่าเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็ น, นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือบางทีก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท มีข้อความสั้สนๆเลยนะที่โปร่งตัดเนี่ยมรดกที่พระองค์ได้มอบให้กับเราเนี่ยหรือว่าคําเสียงสั่งเสียสุดท้ายเนี่ยมีแค่สองประโยคสำคัญทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทั้ ง, งหลายตงทางความไม่ประมาทถึงพร้อมและทึงต่างจากปฐมเทศนานปฐมเทศนานี่ยาวหลายหน้า รรมาจากกัปนสุธิยามากแต่ว่าปัจิุวานนี้สั้นแค่สองประโยคเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำอย่างที่ครูจะได้ตรัพนะเราก็จะประสบความสุขความเจริญหรือแม้กระทั่งพ้นทุกข์ได้สองการทั้งหลายมีความเสื่อไปเป็นธรรมดาสองคานี้เนี่ยก็รวมทั้ทุกถื่ออย่างนะตั้งของรักคนรับ รวมทั้งตัวเราด้วยชีวิตของเรามันไม่เที่ยมมันไม่เทียงคืออะไรรุกวันหนึ่งก็ต้องแต่งดับรุกวันหวึ่งลมหายใจก็ต้องสิ้นสุดทุกวันหนึ่งหัวใจก็ต้องหยุดเต้นตความเชื่อเราเนี่ยมันไม่เที่ยมมีความตายเป็นที่สุดเราควรพิจารณาตรงนี้เพราะว่านี่คือความจริง เราพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อจะรู้ว่าในเมื่อเราเวลาของเรานับถอยหลังไปเรื่อยๆนะวันเวลาของเราในโลกนี้เนี่ยมันหดหายไปเรื่อยๆเพราะฉันเราต้องรีบทารีบใช้ชีวิตของเราเนี่ยหรือทำชีวิตไม้มีคุณค่าอะไรที่เรายังไม่ได้ทา แล้วเราก็รู้เป็นความดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะเป็นทั้งประโยชน์ตวและประโยชน์ท่านต้องรีบทำนะอย่าพักผอเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องตายอย่างแน่นอนนะอันนั้นเนี่ยเป็นความจริงที่ก็แยกก่ออยู่แล้วนะสาหรับคนที่รับชีวิตเนี่ย ไอ้ที่มันแย่กว่านนะันคือว่าเราไม่รู้จซ้อมจะตายเมื่อไรถ้าเรารู้ว่าเราต้องตายแน่และจะตายอีกสองปีข้างหน้านะหรือว่าตายอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังพอทำานาแต่ความจริงคือว่าแม้ความตายจะเป็นสิ่งแน่นอนแต่มันก็เต็ไมไปด้วยความไม่แน่นอนก็รือว่าไม่รู้จะตายเมื่อไรอาจจะมาถึง10บปีหน้า เลือกจะมาถึงพรน้าเลือกจะมาถึงพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะมาถึงคืนนี้ก็ได้ความตายเนี่ยมันมามันมาแบบไม่คาดคิดมันมักจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันอย่างเช่นขาวเมื่อสองสามันก่อนเนี่ยก็มีอุบัติเหตุใหญ่คนก็ตายเลย ยี่สิบห้าคนในเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งเดียวบางคนก็เป็นเด็กบางคนก็ยังเป็นหนุ่ ม, มยังสาวยี่สิบแล้วก็เพิ่งฉลองปีใหม่แต่ว่ากลับไม่ถึงบ้านเสียชีวิตก่อนเพราะอุบัติเหตุกลางทางความตายมันไม่แน่นอนมาแบบไม่คาดฝัน และอยู่ใกล้ตัวเรามากมันมีภา ษ, ษิตที่เบนบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนใครที่คิดว่าชาติหน้าจะมาหลังวันพรุ่งนี้เนี่ยอันนี้ประมาณเพราะว่า ใครจะไปรู้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเราคนจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการคำนวณ ว, ว่ามีคนประมาณหนึ่งแสนห้าหมนคนทั่วโลกที่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาคนจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าไม่มีพร่กนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหนึ่งในสาห้าหรือเปล่า แต่ถึงแม้เราจะไม่ใช่หนึ่งในแสนห้าเรายังมีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไม่ชีวิตไปถึงวันลื่นนี้หรือเปล่าเมื่อเราตระหนักเช่นนี้เนี่ยก็สมควรที่เราจะเร่งนะทำความเพียงเร่งขนขวายทำความดีนะเร่งทำให้ชีวิตของเรา เ, เป็นชีวิตที่มีคุณค่า เพราะว่าถ้าเราไม่ยีบทำใช้แต่วันนี้เราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ทําเลยก็ได้หละสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะทําเนี่ยหลายอย่างเรายังไม่ได้ทำแม้กระทั่งการตอบแทนผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่หลายคนก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ เพราะว่างานการรักตัวหรือพ่ออาจจะเพลิดเพินอยู่กับความสุขสนานชั่วครู่ชั่วยาม <c oughs> ความดนหลายอย่างเราก็ยังไม่ได้ทำํำเช่นการทำจิตให้เป็นกุศลคนเราเนี่ยการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เรามีชิ้ิมาถนนึงจนถึงปานนี้เนี่ยนะก็นับว่าโชคดีมากแต่ถ้าเราไม่ไม่ใช้โอกาสกั น, น่าได้ยากเร่งทำความดีให้เกิดทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็าการที่เรารู้จักทำจิตให้เป็นกุศล ตวน้นสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตนะไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์หรือว่าปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นอคตศสนครอบงำจิตหลายคนก็ปล่อยให้วันแต่ละวันเต็มไปด้วยความเครียดเต็ไมไปด้วยความทุกข์เต็ไมไปด้วยความวิตกกังวลไม่รู้วิธีที่จะ ทำให้จิตใจพบวกวับความสงบอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เข้าถึงโอกาสาที่หรือเข้าถึงประโยชน์ที่เราควรจะได้รับซึ่งมันก็ทาให้ถึงเวลาที่เราจะต้องตายเนี่ยหลายคนก็จะเสียใจ มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เมื่อใกล้าตายเนี่ยก็จะเสียใจเสียใจว่าไม่ได้ทำชุดที่ผ่านมาให้มีคุณค่าเสียดายที่ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกไม่ได้มีเวลากับพ่อแม่เลยความรู้สึกเสียใจความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำให้ชีวอตเรา ม, มันมีคุณค่าปล่อยเวลาผ่านเลยไปโดยเปล่ประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์เท่าที่โกรธเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ก่อกิดจิตใจของคนจำนวนไม่น้อยเนีย่ยที่กำลังใกล้าตายบางคนก็อายุสาสิบบางคนก็สี่สิบบางคนก็หกสิบหรือมากกว่านั้นได้สามแต่ก็ยังมีความเสียใจนะเพราะว่าผัดพ่อน <c oughs> เพราะาไม่ได้ร้ลึกถึงความตายเท่าที่ควร เพราะประมาทเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยยังมีเวลาเหลือนะงคนตายโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนีเป็นใครนะเกิดมาทำไมมีในอินเดียยังมีกษัตริย์องค์หนึ่งนะอ่ายิ่งใหญ่มากนะเป็นกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลชื่ออารังเซปอารังเซปนี่เป็นลูกของชาชานชาชานเป็นใครชาชานก็คือผู้สร้างทัชมาฮา นะอารังเซนนี่ยึดอำนาจากข้อแล้วก็สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญนะ่อินเดียในสมัยของอารังเซนนี่ร่ำรวยมากนะเรียกว่าร่ำรวยที่สุดในโลกก็ว่าได้พระนางวิเ อ, รอพระนางเอลิซาเบธซึ่งตอนนั้นก็ใหญ่นะในอังกฤษเนี่ยก็ยอมรับว่าเนี่ย อังกฤษนี้ก็ยังเล็กน้อยมากเมื่อเทียอินเดียสมัยเอารังเซนอาังเฤษนี่มีอำนาจล้นฟ้าร่ำรวยมากขยายอาณาจักรไปกว้างขวางแล้วก็อายุยาวอายุยืนแปดสิบกว่าปีแต่ถึงเมื่อตายเนี่ยนะก็บอกกับลูกว่าเนี่ยฉันเนี่ยนะมาโลกนี้ ก็จากโลกนี้กาลังจะจากโลกนี้ไปอย่างคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ฉันเป็นใครและมาทำอะไรคือคนที่รวยล้นฟามีอานาจมหาศาลนะเนื้อผู้คนหลายร้อยลาย้ลานคนเนี่ยแต่ถึงเวลาตายเนี่ยไม่รู้ว่าฉันเป็นใครไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมหรือกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะมันแสดงเห็นถึงความรู้สึก ว่าไม่ได้ค้นพบนะจุดมุ่งหมางชีวิตอันนี้ก็เรียกว่าตายด้วยความรู้สึกว่าชีวิตนี้ว่างเปล่าทีถ้าเกิดว่าเราเรารู้ถึงความตา ย, ยเสมอเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเล่งทำความดีอย่างที่พระเจ้าตรัสนะว่าทำประโยชนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจะทําอะไรที่เรามีคุณค่าไม่วาจะเป็นการทําประโยชน์ตน เช่การทำความดีการฝึกจิตให้ของแผ้วายสะอาดเต็มไปด้วยความสดชื่นเบิกบานทำงานแต่ละวันไม่รู้สึกถึงความกรัดกรุ้มถึงเช้าวันจันทร์ก็ไม่รู้สึกหนักอกหนักใจเพราะเรารู้สึกว่าได้รู้จักทำจิตให้เป็นคุสม รู้จักวางจิตวางใจจนกระทั่งให้ความเครียดความวิตกกังวลหรือความทุกเนี่ยมันมาคล่องกับจิตใจเราไม่ได้การเดีอดเกินล้วก็สามารถจะทำหน้าที่ที่เรามีต่อคนรักเช่นลูกพ่อแม่ได้ดี ไม่ใช่ว่าพอถึงวันจะตายแล้วก็มันนึกเสียดายว่าเราไม่อมีไรกับลูกเลยเราไม่มีลรกับพ่อแม่เลยนี่ประโยชน์ของการรู้ถึงความตายนะก็คือมันเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้เราควรควายทําหน้าที่ทําความดีและทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมไม่ใช่ปล่อยชีวิตไปตามกระแส กระแสแห่งสิ่งรอดเราเยวอยยวนหรือว่ากระแสโลกขณะเดียวกันเนี่ยการเราลูถึงความตายเนี่ยมันทำให้เราได้กรุ่นคิดว่าถ้ามื่อเร า, าต้องตายเนี่ยหลอพร้อมไหมอาตมาไม่ไน่ใจว้าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคิดเรื่องนีร้รปล่าบางที่ทุกคนก็รู้ว่าจะต้องตาย แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้เนี่ยไม่เคยคิดแล้วเออเราจะเราจะจะตายอย่างไรหรือว่าต่อพร้อมที่จะตายหรือยังเราเตรียมตัวดีพอหรือยังเมื่อความตายมาถึงคนจำนวนมากเนี่ยอยู่เป็นคนลืมตายนะ ก็คือลืมไปว่าตัวเองต้องตายก็ใช้ชีวิตไปเหมือนกับว่าจะอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายไม่เคยคิดจะตาดเตรียมว่าจะรับมือความตายอย่างไรหลายคนเนี่ยพอใครพูดเรื่องความตายก็บอกอย่าพูดไม่อยากได้ยินอาความมงคล แล้วก็มักจะทำตัวให้บุ่นทำใจไม่ให้ว่างเพื่อจะได้ไม่คิดถึงความตายทำงานบอกมือนกับงานการหรือว่าอ่าไปเที่ยวห้างให้จมอยู่ความสนุนสนานจะได้ไม่คิดเรื่องความตายพราคิดแล้วเนี่ยเสียวคิดแล้วกลัวแล้วมานก็สามารถจะกรบนะกรบเรื่องนี้ไว้ไดาจน หรือถึงความตายไปเลยขั้นพอพ่อจนไปโรคลายเนี่ยเช่นเป็นมะเร็งหลายคนก็จะมีอาการตายทั้งเป็นก็คือว่าไม่มีเรียวไม่มีแรงหมดอะไรตายยากไร้ชีวิตชีวามีลมหายใจแต่ว่ากลัดกรุ่งนี่ย ไม่เป็นการทำลายเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจอันนี้เรียกว่าตายทั้งเป็นหรือว่ามีแค่ลมหายใจอันนี้ก็เป็นปพราะการที่เขาไม่ได้คิดที่จะเตรียมตัวนะรับมือกับความตายเลยแล้วพอมีอาการตายทั้งเป็นเนี่ยสุดทาพอถึงเวลาตายก็จะเป็นอย่างที่คนโบราณเรียกว่าหลงตาย หลงตายไปตายไปไม่มีสติธุรนทุรายซึ่งก็ไป็นที่น่านเสียใจมากเพราะว่ามีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อเราจะได้เตรียมตัวเตรียมตัวและเตรียมตัวตายชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมีให้เราเพื่อที่เราจได้เตรียมตัวที่จะรับมือความตายแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวลานั้นเพื่อการเตรียมตัวเลย จริงความตายเนี่ยมันมันเหมือนกับการสอบนะเป็นการสอบไล่เป็นการสอบไล่จริงๆเป็นการสอบไล่สำหรับวิชาชีวิตนะวิชาที่เราเรียนนะในมาทยาลัยมันเป็นวิชาชีพส่วนใหญ่เป็นวิชาชีพเอาไวท้ทามา ก, กิน แต่ว่ามันมีวิชาที่มันซ้อนอยู่ซึ่งเราควรจะเรียนรู้ตั้งแต่จะเรียกว่าตั้งแต่เกิดคงจะไม่ได้นะเอาเรีตัวเว่าตั้งแต่ตั้งแต่จําความได้เนี่ยตั้งแต่รู้เรียนสาเนี่ยนี่คือวิชาชีวิตและวิชาชีวิตเนี่ยนะมันก็เหมือนกับวิชาทุกอย่างนะเรียนแล้วก็ต้องมีการสอนเรียนทางโลกนะเรียนคณิตศาสตร์ก็อาจจะมีการสอน สอบกลางปีสอบไล่วิชาชีพก็มีการสอบไล่เหมือนกันแล้วก็สอบไล่จริงๆนะคือว่าถ้าตกเนี่ยก็ก็ลงลงอาบายสอบไล่ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่มันไม่ไล่จริงนะอย่างแย่สุดคือซ้าชันนะอย่างแย่ที่สุดคือซ้ําชั้นนะแต่ว่าสอบไล่วิชาชีพเนี่ย ตกคือตกนะคือไปอบายอัีรมงมนรกไปเลยก็ได้แล้วก็สอบไล่วิชาชีวิตเนี่ยมันไม่มีการซ่อมนะไม่มีการสอบซ่อมไม่มีการแก้ตัวสอบในโรงเรียนสอบในมาวิทยาลยสอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานสอบโปเฟลมีโอกาสแก้ตัวปีนี้ไม่ได้สอบปีหน้าสอบใหม่แต่สอบไล่วิชาชีวิตเนี่ยมัน ไม่มีการแก้ตัวนะแย่ยิ่งก็คือว่าไม่มีการประกาศล่วงหน้าว่าจะสอบเมื่อไหร่สอบไล่สอบกลางเทอมสอบสัมภาษณ์สอบข้อกหมายอะไรสอบเทร์ฟเฟิพวกนี้เนี่ยมีการประกาศล่วงหน้าทําให้เราได้เตรียมตัวแต่การสอบรายเนี่ยแปลกนะคนไม่คยได้เตรียมเท่าไหร่ ที่สอบสัมภาษณ์โอเตรียมตัวเป็ น, เ ป, นเป็นวันนะแต่สอบวิชาชีวิตเนี่ยนะสอบไล่เนี่ยแปลกที่คนไม่คยได้เตรียมเ่ยเสมอกับคิดว่าตัวเองเนี่ยนะจะไม่ตายเราไม่ควรจะมีการเตรียมตัวเดีย๋ยวว่าแต่สอบทางโลกที่อาตมาพูดถึงเลย แม้แต่จะเรียนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะโดยให้เวลากับมันได้เช่นเรียนวิชาชงชานะเรียนการวาดรูปสีน้ำบางคนยอมเสียเงินไปเป็นหมื่นเพื่อที่จะเรียนนะวาดรูปสีน้ำเรียนจัก ด, ดอกไม้แม้แต่เล่นกอล์ฟก็ยางเรียนยนะเพื่อจะมานะไปเรียน เล่นกอล์ฟเนี่ยร้อยชั่วโมงเสียเงินเป็นหมื่นเรียนจบก็ไม่ได้ใช้นะไปเล่นตีปองแทนเรียนหลายอย่างเนี่ยโหเราอยอมทุ่มเทนะแม้ก็ทัางเรียนวิทยาวิช ว, วิธียิ้มวิธีเดินแล้วก็เรืองเนี้ไม่ได้ใช้บางคนเรียนบัญชี แต่ก็ไปเป็นครูบางคนเรียนวิศวะก็ไปทําธุรกิจแม้แต่บางคนเรียนหมอเนี่ยก็ไปทําอย่างอื่นก็มีนะแต่วิชาเตรียมตัวตายเนี่ยคนไม่ค่อยเรียนแล้วทัางนั้นที่เรียนเราได้ใช้แน่เราจะเตรียมตัวตายได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราตระหนักนะว่า ขนาดจริงๆแลยสักวเราต้องตายเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่ว้าเออว่าจะทําอย่างไรนะเมื่อความตายมาถึงคนที่คิดถึงความเรื่องเรื่องเรื่องความตายเนี่ยเขาจะไิดถึงเรื่องการตายดีเป็นประการต่อมาแล้วทร้มาันก็ไม่แน่ใจว่าคนทุกวันนี้คิดถึงเรื่องการตายดีแค่ไหนส่วนอยากคิดถึงเรื่องการมีชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ดีชีวิตก็คือชีวิตที่อาจจะมีเงินมีบ้านมีรถยนต์มีตําแหน่ ง, งสูงๆมาเขา ก, ก็ถ้าเป็นราชการก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเป็นประลักกระทรวงเป็นจุดหมายชีวิตเราคิดถึงชีวิตที่ดีแต่เราไม่เคยคิดเรื่องการตายดีเท่าไหร่เราคิดถึงเรื่องจุดหมายชีวิตแต่เราลืมไปว่า ชีวมันไม่ได้มีแค่จุดหมายนะมันมีปลายทางด้วยจุดหมายกับปลายทางทีมันก็ไม่ได้อันเดียวกันนะสารการเดินทางจุดหมายกับปลายทางคืออเดียวกันแต่ชีวิตเนี่ยจุดหมายกับปลายทางมันไม่เหมือนกันจุดหมายชีวิตอาจจะหมายถึงการที่ไหนเป็นประลักกระทรวงการที่รัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นเศรษฐีเป็นซีอโอแต่ปลายทางชีวิตนั้นอีกอันหนึ่งนะ ปลายทางเชื่อคือ ค, อความตายแล้วก็คิดถึงแต่จุดมาชีวิตยพยายามไปให้ถึงแต่ว่าไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะคิดมันก็มีปลายทางด้วยนะแล้วเตรียมพร้อมหรือยังงั้นถ้าเราจเจริญรอดนั่สติอยู่เสมอเนี่ยมันทำให้เรานะใส่ใจกับเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ทําให้ชีวิตมีค่าเดียวแต่ทําให้เราพร้อมที่จะรับมือความตายเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะเพราะว่า คนลรทุกคนเนี่ยมันต้องตายอย่างแน่นอนหลายคนเนี่ยพอที่จควาตายก็ไม่อยากนึกฮัหลังให้อย่าพูดเรื่องความตายคนอย่างนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะเดีย๋ยวนี้เราไม่ใช่ไม่ยอมใช้คำว่าความตายนะเพราะ่ า, ามกายเป็นคามันก็เป็นคำอุจจารเราจะใช้เราจะเลี่ยนไปใช้คาอื่นแทนหมดลมหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตถึงแก่กรรมนะ ไปแล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เรากลัวความตายขนาดนี้แม้กรทั่งคาว่าความตายเราก็ไม่พูดเราไปเรียกไปใช้คำอื่นเราพยายามหนีมันหันหลังให้มันแต่อล้วก็ตามที่เราต้องเจออย่างแน่นอนเนี่ยการหันหลังการหนีเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดวิถองคนช้าคือว่าหันมาเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ ใครควรว่าเออแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรเราจะรับมือกับอย่างไรเมื่อความตายมาถึงที่จริงการรับมือความตายเนี่ยในในมันก็ไม่ได้ต่างจากการที่เราพยายามใช้ชีวิตที่ให้ดีมีคุณค่านะเมื่อเราตระหนักว่าชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่เปี่ยมด้วยความดีทําสิ่งที่เป็นคุณสม ในความดีและกุศลนั่นแหละนะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะเผชิญกับความตายได้ด้วยใจสงบคนเราถ้ามันจะในความดีความกลัวตายก็จะน้อยลงพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสเมื่อเขาเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือตอนที่ยังไม่ได้เสวยพระชาติเป็นเจ้าชายเศัษฐาเนี่ยก่อนหน้านั้นหลายชาติเนี่ยพระองค์เคยกล่าวว่า เมื่อตั้งมั่นในทรรเจ้าไม่กลัวปลัลลอโอีกที่นั่นก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเราไม่เคยทำช่วยในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงสิ่งนที่จะเป็นเครื่องช่วยให้เราเนี่ยสามารถประเชิญความตายได้ได้ดีโดยไม่กลัวไม่ตื่นตระหนกก็คือความมั่นใจในความที่เราได้ทำ หลายคนกลัวตายเพราะว่ากลัวไปรบายกลัวเป็นอารมณ์แต่ถ้าคนที่มั่นใจในความดีแล้วก็ไม่เคยความชั่วเลยเนี่ยเขาก็จะไม่กลัวตายหรือกลัวตายน้อยเวลาจะตายนึกถึงความดีที่ได้ทาก็เกิดความปิติมันมีพุทธภา ษ, ษิตว่าเนี่ย บนย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตภาสิทเนี่ยมีความหมายสองอย่างอันที่หนึ่งเมื่อจะสิ้นชีวิตก็สามารถมีความสุขได้คนมักคิดว่าถึงเวลาตายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกทรมานมากแต่ไม่ใช่แม้ในช่วงเวลาที่เราจะตายก็สามารถจะมีความสุขได้สุขได้เพราะอะไรสุขได้เพราะว่า ได้ทำความดีหรือ น, นึกถึงความดีที่ได้ทำบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตคนที่เาทำความดีมาเนี่ยเก็จะกลัวความตายน้อยอย่าแล้วก็ตามเนี่ยยังมีอย่างอีกที่ต้องทำนะถ้าว่าเราต้องการที่จะตายดีไม่ทุรนทุรายนะ ไม่ตื่นตนุกก็คือการรู้จักฝึกใจฝึกใจให้ปล่อยวางหลายคนเนี่ยทำความดีก็จริงนะแต่เวลาจะตายเนี่ยก็ทุรนทุรายเพราะยังไม่ปล่อยวางยังมีความห่วงอาลัยในในลูกในคนรักในพ่อแม่จะเจอเราจะเจอผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยนะที่ ที่บอกว่าไม่กลัวตายแต่ยังไม่อยากตายตเมื่อสองสมรกูมตามมาเไปเยี่ยมพยาบาลกาลังซึ่งกำลงเป็นมะเร็งตัอยู่ในระยะสุดท้ายเธอบอกว่าเธอไม่กลัวตายแต่ยังไม่อยากตายเพราะอะไรห่วงลูกห่วงแม่ไอความห่วงนี่แหละที่มันจะบีบคั้นจิตใจทำให้ ต่อสู้ขัดขืนความตายแล้วทำให้เกิดความทุกข์ทรมานมากในภาวะเช่นนี้เนี่ยนะต้องต้องปล่อยนะต้องปล่อยต้องพร้อมจะปล่อยเพราะถ้าไปยึดเอาไวนะ้นอกจากจะทุกข์ทรมานขณะที่มีลมหายใจนะถึงเวลาตายก็ จ, จะไปไม่ดีอาจจะไปทุกขติก็ได้ อันนี้เรื่องการปล่อยวางรทรับทรัพย์สิสสเนเงินทองด้วยบางคนก็ห่วงทรัพย์สมบัตนะินะนึกถึงหนี้สินที่คนอื่นเขายืมไปให่คืน <c oughs> ก็เกิดความวิตกกังวลในสายพุธ ก, การเนี่ยนะมีพรามคนหนึ่งนะชื่อโทน้าพรามเนี่ยร่ำรวยมากแต่เวลาตายเนี่ยเป็นห่วงทรัพย์สมบัติ จิตสุดท้ายเนี่ยคิดถึงจะรู่ทรัพย์สมบัติเนี่ยก็ตายปุ๊บนะไปเข้าท้องหมาเลยหมามันก็จะออกรูปพอดีนะแทนที่จะไปสวรก็ไปอบายนะไปเป็นไปเกิดเป็นลูปหมาได้ยูได้ได้ใกล้ทรัพย์สมบัติที่ตัวยหวงจริงๆอีกรายเป็นพระนะท่านได้จีวรเนื้อดีมาสมัยก่อนเนี่ย จีวรเป็ของหายยากนะพระท่าไปเก็บจากศมจากปราช้าได้จีวรผืนใหม่มาก็เป็นโชคนะแต่ไม่ทันได้ใช้นะก็มรณภาพที่สุดท้ายทันนั้นจีวรนั้นด้วยความเสียดายด้วยความอาลัยพระตาก็เ็กิดเป็นเลนอยู่ในจีวรนะเป็นเลนอยู่ในจีวรนะก็เรียกว่าได้ได้นะได้ อยู่ใกล้จีวรที่ตัวเองรักเนี่ยผสมปรารถนาแต่มันเป็นทุกข์ติดให้คนโบราณเนี่ยนะเวลาไข่ใกล้าตายเนี่ยก็จะมีการนำน้อมนำจิตนะเพื่อให้ปล่อยวางที่จริงอันนี้นก็เป็นคำสอนของพระเจ้าด้วยพนระเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์จะเื่อรงไปเสด็จดูแลคนใกล้าตายเนี่ย เราก็จะน้อมใจเขาให้นึกถึงพระตนาตรายน้อมใจให้นึกถึงความดีแล้วก็แนะนำก็ปล่อยวางเมื่อจะเป็นทรัพย์สมบัติคนรับรวมทั้งปล่อยวางว่าปล่อยวางสวรรค์หรือว่าพบใหม่ว่าอยาจะไปพบไหนอ ย, อยางจะไปเกิดพบไหนก็ปล่อยวางซะเพราะถ้าอยากไปเกิดในสวรรค์แล้วก็เกิดความกลัวว่าจะไม่ได้ไป ในความกลัวก็ทำให้จิตเป็นอกุศลการฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางนี่สำคัญนะเพราะถ้าไม่ปล่อยวางนะแม้แต่จะทำความดีมากมากมายแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะไปไม่ดีก็ได้นะพระเจ้าอาโศกเนี่ยอโศมหาราเนี่ยทำมีคุณุปการมากต่อพระาศาสนา ใครที่ไปอินเดียเนี่ยก็จะรู้เลยพระเจ้าโสมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะต่อสาเวชชนีสถานสี่ประการสี่แห่งพระเจ้าโสมตอนตอนอายุมากเนี่ยนะก็ทรัพย์สมบัติในพระครัภเนี่ยก็เหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะว่าอุปธรรมบุงพุทธศาสนาและคณะสงฆ์และพอป่วยเนี่ยก็ยังอยากจะทำบุญนะ แต่ว่าเงินทองในพระครังที่เป็นส่วนตัวไม่เหลือแล้วอยากจะขอมาทำบุญเสนาบดีอัครมห า, าเสนาบดีก็ไม่ให้ได้มานิดหน่อยนะก็มีความขัดเคืองใจขัดเคืองใจเรื่องว่าไม่ได้ทำบุญอย่างที่อยากแต่ตัว น, นั้นทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะเป็นเพราะใกล้จะตายแนละ้ว กษัตริย์ที่มีอ น, นาบนไฟพอเราใกล้าตายนี่ก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปคือไล้อำนาจพระเจ้าโซนี่ก็เสียใจนะว่าขัดเคืองใจที่ว่าไม่มีเงอนที่เสนาบดีไม่ให้ไม่ให้เงินมาเพื่อที่จะทำบุญแล้วก็ตายไปด้วยอารมณ์ที่เป็น อ, อกุศลขัดเคืองใจปรกากฏตายก็เกิดเป็นอะไรเป็นมูลเหลือมเป็นมูเหลือม อันนี้ก็ไปไม่ดีั้งที่ทําบุญมากแต่ว่าใจไม่ปล่อยวางจะไปที่ไหนทีเราก็ไม่รู้นะผุชนอย่างเราไม่รู้หกแต่ที่เรารู้ก็ว่าก่อนตายเนี่ยสงบไม่สงบมีรุมคนหนึ่งแก็เป็นคนที่ชอบทาบุญทํากุศลชอบชักชวนคนให้ไปทอดกับถินตามวัดในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหาร ตำนีม่มานานนับสิบปีแล้วมันก็เป็นมะเร็งมะเร็งก็ลุกลามเร็วมากจนกระทั่งอยู่ในระยะสุดท้าย ต, ตอนกล้าตาในกนมีการกระสับกระส่ายลูกหลานเห็นไม่ว่าใจมณฑรธรร ม, รมโมก็คิดว่าจะให้ฟังเทพธรรมะพระสุมนแกจะสมบทปรากฏว่าพอเปิดแล้วก็ยังกระสับกระส่ายอยู่ลูกหลานก็ไม่เข้าใจ จนทั้งเพื่อนสนิทมาถึงเนี่ยพอรร้เกิดอะไรขึ้นก็ไปพูดข้างหูวบอกว่า mm hmm. ไอ้โบสที่ยังสร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะคุณเราจะช่วยยังสร้างให้เสร็จพอพูดเท่านี้เนี่ยสงบเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคําพูดที่โดนใจแสดงว่าคุณหลวงอ้นนี่นยังห่วงเรื่องโบสเรื่องสร้างโบสถที่ยังคาอยู่การสร้างโบสนี่มันเป็นกุศลนะเป็นมหากุศลด้วย แต่ว่าในเวลาตายเนี่ยก็ต้องปล่อยเหมือนกันนะความดีก็ต้องปล่อยนะอยากจะทําความดีแต่ไม่ได้ทําก็ต้องปล่อยต้องวางไม่งั้นเด็กก็จะล้องเมือกพระเจ้าอโศกนะแต่ก็ดีนะเพราะว่าคนไข้คนนี้เนี่ยก็มีเพื่อนรู้ใจประพูดให้คลายกังวลขอเพื่อนรับปากว่าเนี่ยจะช่วยสารต่อ ง, งานให้ก็เหมือนกับว่ายกผู้เขารพจากอบนะแล้วก็ไปสงบ แต่สมมติเพื่อนแม่มบอกเนี่ยนะก็ไม่แน่ว่าจะไปดีหรือเปล่าแนะม่แม่ก็ทความดีเนี่ยบุญกุศลก็ต้องปล่อยต้องวางนะจะไปยึดจะไปแบกไม่ได้ในแวลังไข้าตายเนี่ยรวมทความรู้สึกผิดด้วยติดค้างใจนางส า, าวดีนางมาริกาเทวีก็เมเอกพระเจ้าอุเทนพระเจ้าเศรีโคศนอายุไม่เท่าไรก็ก็าตายก็ทำถัง อายุแค่ยี่สิบปลายสามสิบ ต, ต้นเป็นคนโปรดของพระเจ้าสิริกโกศลตอนจะตายเนี่ยจีก็ไปนึงถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ไปโกหกพระเจ้าเรพระเจ้าสิริกรรกโกศลเอาไว้ก็เป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่านางรู้สึกเศร้าหมองที่ทำมุสาว่าที่จริงนางทำความดีมาเยอะนะแต่ว่าจิดสุดท้ายเนี่ยนะ เศร้าหมองเพราะว่ารู้สึกผิดที่ได้ไปโกหกก็จะเะสียดีโกหกจนพอตาอยพุ่งลงนรกเลย<ม>แต่ความดีที่ได้ทําเนี่ยก็สามารถจะส่งผลในเวลาต่อมาทําให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเป็นการย้าเตือนว่าคนเราเนี่ยเมื่อเมื่อถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยเราต้องรู้จักปล่อยวางด้วย ปล่อยวางเรื่องลูกพ่อแม่ปล่อยวางเรื่องงานการปล่อยวางเรื่องสิ่งต่างๆจะจะปล่อยวางได้เนี่ยมันต้องฝึกนะไม่ใช่มาปล่อยวางตอนจะตายมันต้องฝึกปล่อยวางบางอย่างต้องสายการกระทํา mm hmm. เช่นคนที่ให้เวลากับลูกให้เวลากับพ่อแม่อย่างเต็มที่เนี่ยถึงเวลาจะ ถึงเวลาที่ตัวเองเนี่ยป่วยหนักเนี่ยก็ปล่อยวางได้ง่ายเพราะว่าได้ทำเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยวางในส่วนนี้ก็อาศัยการที่เราคนไข้นะเร่งทําสิ่งที่ควรทํหรือว่าทําสิ่งที่ควรทําอย่างเต็มที่พูง่านคือทำกิจเมื่อเราทำกิจได้ดีแล้วก็จะทำกิจคือปล่อยวางได้ง่าย แต่การทำแต่การปล่อยวางบางหลายอย่างเนี่ยต้องอาศัยการทําจิตล้นลวนลก็คือการฝึกการภาวนาคนเราเนี่ยนะถ้าทั้งชีวิตเราเนี่ยเราเต็ไมไปด้วยความยึดติดนะถึงวเวลาจะตายเนี่ยมันก็ปล่อยวางยากแต่ถ้าเราหลุอยู่เสมอเออสักวัเนเราต้องตายนะเราต้องฝึกปล่อยวางอยู่เรื่อยๆนะฝึกในชีวิตประจําวัน เช่นเวลาเงินหายของหายก็ถ้าหาคืนไม่แล้วก็ปล่อยไม่ไ ม, ไม่มีความเสียดายไม่มีความอาไรลัยไม่ใช่บนั่งเสียใจนะข้ามวันข้ามคืนหรือว่าเป็นอาทิตย์ให้มองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเหตุการณ์อย่างเช่นาการเสียงเงินนะการหรือโทรศัพท์หายเนี่ยมันเป็นแบบฝึกทักให้เรารู้จักปล่อยวาง เวลาทำงานผิดพลาดหรือว่างานมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแล้วมันแก้ไขอะไไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางนะปล่อยวางแต่ก็ไม่ได้นะครับว่าเราจะไม่เอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนอนนั้นก็เป็นเรื่องนึงที่ิม ง, งานยังไม่เสร็จนะเราก็ต้องจักปล่อยเหมือนกันนะเช่นเราทำงาน ที่นี่เราก็ทําเต็มที่ถึงเวลากลับบ้านเราไปอยู่กับลูกไปอยู่กับคนรักปอยู่กัครอบครัวแล้วก็วางวางเรื่องงานซะให้ใจเราเนี่ยมาอยู่กับลูกมาอยู่กับคนในครอบครัวแล้วคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะเวลาอยู่กับลูก เ, เวลาทํางานก็นึกถึงลูกห่วงลูกเวลากลับมาบ้านเจอลูกก็ห่วงงานนึกถึงงานนะอยู่บ้าน นะถ้าคิดถึงงานเนี่ยนะใจมันก็มีกับลูกเต็มรอยบางทีก็งดมิใส่ลูกด้วยพอใส่ลูกเสร็จก็มาเสียใจไปทำงานก็นึกถึงว่าโอเราไม่น่าเลยไปว่าลูกเมื่อวานเนี่ยงานก็ทำไม่ได้ใจก็ทุกข์พอกลับมาเจอลูกเอานึกถึงงานแล้วนะลองฝึกนะปล่อยวางนะเวลาทำงานใจก็อยู่กับงานเต็มร้อย เวลาทางานใจก็อยู่กงานเต็มร้อยเวลาทางานเสร็จมาอยู่กับลูกใจเราก็อยู่กับลูกเต็มร้อยเนี่ยฝึกปล่อยวางมาฝึกแบบง่ายๆแบบนีนน้ไม่ต้องไปฝึกเอาตอนจะตายฝึกในชีวิตประจำวันนะรู้จักวางงานลงบ้างถึงแม้ไม่มีลูกนะก็วางมาลงบ้างเมื่อถึงเวลาที่เราจะหลับจะนอนนะเวลาใครพูดกระทบใจเรา ก็รู้จักวางบ้างนะอย่าไปเก็บอารมณ์ขุนมัวหรือว่าโกรธเอาไว้ในใจแปลงนะคนเราเนี่ยมันไม่ได้แค่ยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุข ก, กับเราเช่นลูกคนรักพ่อแม่หรือว่าทรัพย์สินเงินทองไอ้สิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราแล้วก็ยึดนะเช่นความโกรธความเศร้าความเสียใจ ความอะไรเอาวอนมันน่า ย, ยึดที่ไหนแต่หลายคนเนี่ยก็ยึดมากแล้วกลัวหวงแหนด้วยคนที่บางคนเนี่ยกโกรธเนี่ยนะโกรธมากมากเนี่ยคนที่โกรธเปสิบยี่สิบปีนะมีคุณยายคนหนึ่งนะแกก็เป็นคนที่ดีนะสุภาพ ใจดีอ่อนโยนแต่เวลาพูดถึงคนคนนี้จะโกรธมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่แกเคยช่วยแล้วก็เขาเนรคุณถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมนะื่อไหร่ยะยี่สิบปีมาแล้วนะก็ยังโกรธเวลาพูดถึงคนคนนี้ลูกสาวเนี่ยเห็นแม่โกรธเนี่ย มาสิบยี่สิบปีแล้วแ ม, แม่ตอนนี้ก็แก่ตัวลงไปลูกสาวกลัวทําแม่โกรธแบบที่ต่อไปเนี่ยเกิดตายขึ้นมาไปอาบายลูกสาวก็เลยแนะนําแม่ว่าให้ให้อภัอยแม่เนี่ยกลับกลัวลูกสาวนะกลับกลรธลูกสาวเสมมติว่าลูกสาวเนี่ยกล้ามาแย่งชิงของรักของหัวไปจากแม่ ให้ความโกรธที่มันมันน่าห่วงแหงนที่ไหนนะแต่เวลามีใครมาแนะนําว่าแหวภัาายก็ไปเถอะนะกับโกรธควรแนะนำํำนะีะอันนี้เรียกว่าห่วงแหงความโกรธทั้งที่ความโกรธเผาหลนใจและนี่นยคือสิ่งที่เรายึดติดเหมือนกันต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางงั้นถ้เราไม่วางวันนี้เนี่ยนะ ถึงเวลาจะตายโอ้มันไอสิ่งอารมณ์นาน า, นาชนิดที่เป็นอกุศล ม, มันก็จะมามรวมตัวหนักย่ำดีจิตใจก็ทําให้ อ, อยู่ไม่ใช่แค่ป่วยกายปย่วยใจเพื่อนทุรนทุนรายและถึงเวลาจะตายก็ตายไม่สงบแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางเแต่วันนี้หรือว่าฝึกปล่อยวางอยู่เรื่อยๆถึงเวลาที่เจะตายก็ปล่อยวางได้ง่าย แต่ที่การปล่อยวางมันไม่้ช่วยให้เราตายสงบอย่างเดียวนะในเวลาที่เราสุขภาพดียังหา่างไกลจากความตายการปล่อยวางก็ทำให้ชีวิตเราสงบเย็นด้วยเป็นกันเนะีมันไม่มีประ่ยชนเฉพาะตอนใจตาย ม, มันมันยังมีประโยชน์ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ในตามปกติ ด, ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะควรน ะ, ะการที่เรา เรารึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยนะแล้วก็ทะลึกระลึกให้ถูกระลึกให้เป็นเนี่ยมาช่วยทำให้เราขนขวายนะในการทําชีวิตให้เรามีของร้ายมีคุณค่ามันช่วยทําให้เรารู้จักนขนไควในสิ่งที่ชอบผัดผ่อนรวมทั้งช่วยเราปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยิดติดถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้ชีวิตจะมีความสุขมากและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเตรียมให้เราพร้อมนะ ในเวลาที่เราเผชิญความตายเราก็ไม่กลัวไม่หวาดวิตกพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันด้วยใจสงบ ม, มีผู้หญิงคนหนึ่งแกล่อยฟังทุกชานแกตื่ปฏิหัยจะไปทางนานทุกวันก็จะเห็นแม่กับยายเนี่ยอยู่ในห้องครัว เพื่อทำอาหารใส่บาทเป็นอย่างนี้ทุกเชา้าแต่เธอก็ไม่ค่อยได้ใส่บาทเพราะว่าต้องรีบออกไปทำงานกรุงเทพเนี่ยมันต้องออกแต่เช้านะแม่แยายก็ทำเช่นนี้เป็นกิจวัตรไม่ได้ขาดไม่เว้นแม้กระทั่งสาวกชิ์วันหนึงเธอตื่นขึ้นมาก็เห็นแต่แม่อยู่ในครัวไม่มียาย เธอก็ไปน่ะไปที่ห้องยายไปไปที่ไปไปเดินไปยืนอยู่หน้าห้องยายแล้วก็ไปเรียกยายวันนี้ไม่มาใส่บาตรเลยเ่อมีเสียงยายตอบมาว่าไม่ใสล่ละวันนี้จะสวดมนต์แล้วก็นักสมาธิเธอก็ไม่ได้เอใจอะไรแล้วก็เลยถามยายตอบไปว่ายายจะเอาอะไรไม่กลับมาจะซื้อมาฝากยายตอบว่าไม่เอาอะไรแล้วแล้วเธอก็ไปทำงาน ตายเนี่ยยายก็ยังไม่ออกจากห้องแม่ของผู้เล่าซึ่งเป็นลูกของยายเนี่ยก็เลยไปเรียกเรียกที่หน้าห้องไม่มีเสียงตอบก็เลยเปิดประตูเข้าไปก็เห็นแม่ของตนเนี่ยนะรุ่งขาวห่มขาวนั่งนั่งขัดสมาธิหิ้งหิ้งหิงฟาหิ้งเสาข้างหน้าก็มีร่องรอยการทุดธูปนะบูชาพระ แม่ผู้เล่าเนียเ่ยก็เรียกเรียกยายไม่มีการตอบก็นึกว่าหลับก็เลยจับตัวขยับเพราะว่าพอแตกตัวท่าน่ะล่างของยายก็ลงมากองนอนกองกับพื้นหมดลมไปแล้วหมดลมไปได้ครับชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมั้งคำถามก็มีอยู่ว่ายายรู้เปล่าว่า วันนี้เป็นวัสุดท้ายของตัวอาตมาว่ายายรู้นะเพราะถ้ายายไม่รู้เนี่ยยายคงจะใส่บานรนแะ<ม>แต่วันนี้เนี่ยเลือดนึ่งรูปเนื้อรวปเป็นวันสุดท้ายก็เลยมานั่งสมาธิอันนี้เมื่อยายรู้คนที่มาสุดท้ายทําไมไม่บอกไม่บอกรูปไม่บอกหลานหรือไม่เรียกรูปไม่เรียกรูปลามมาสั่งเสียธรรมดาคนเราเนี่ยเมื่อจะตายก็ต้องสั่งเสียรูปลามก็อาจจะเพราะว่าไม่มีความจําเป็น เรื่องอะไรที่ควรพูดเรื่องอะไรที่ควรบอกเรื่องอะไรที่ควรทำก็ทำหมดแล้วนะก็เลยไม่็ต้องบอกใครนะการตายของยายเนี่ยนะเป็นการตายที่ทสงบมากนะเราไม่คิดว่าความตายเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ยายเนี่ยตายในท่าที่นั่งนะสมาธิคนที่ทำนี้ได้เนี่ยนะ จะต้องไม่กลัวความตายแล้วก็จะต้องมั่นใจในความดีที่เคยทำทําความดีสร้างกุศลมาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยต้องรู้จักฝึกจิตปล่อยวางด้วยปล่อยวางจนกทั่งเนี่ยเมื่อรู้ใจต้องตายก็ไม่มันต้องบอกลูกบอกลายไม่มัปต้องสั่งเสีย หลานเนี่ยมาได้ข่าวว่ายายเสียชีวิตเนี่ยตอนสายๆมันมันนั่งทบทวนเหตุการณ์ก็มาเข้าใจเลยที่ยายบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วตอนนั้นเข้าใจว่ายายมาถึงว่าไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากยายเนี่ยแต่ที่จริงยายเนี่ยจุงที่ยายพูดเนี่ยคือยายเนี่ยปล่อยวางแล้วนะเมื่อทำความดีนะ สร้างกุศลอยู่เสมอแล้วก็ฝึกจิตปล่อยวางอยู่เป็นนิดเนี่ยถึงเวลาตายก็ตายอย่างสงบไม่มีอะไรที่ต้องกลัวไม่มีอะไรต้องวิตกไม่มีความจะบไปต้องสางเสียอละที้เป็นตัวอย่างนะของคนที่าสามารถตา ย, ยางสงบและเป็นการตายที่สง่าที่งดงาม นั่นเชื่อไหมว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้ที่ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้มีความกลัวตายความตายไม่น่ากลัวเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันอยู่เสมอความตายไม่น่ากลัวเพราะเรารู้ถึงความตายอยู่เสมอก็คือเจริญมอร์ น, นัสติเป็นเป็นนิด ถ้าเราจเจริญร่านัสติอย่างที่พูดนะมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่โปร่งเบาด้วยมันมีคำพูดนะเป็นบทโกบีนะเป็นกรอนของอพระรช า, าชาคณะชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะชั้นอยู่ในระดับพระาศาสนส่วคนชั้นลองสมเด็จท่านเขียนเป็นกรอนว่าเราลึกถึงความตายสบายนะมันตัดรักขักลงในสงสารบรรเทามื่อมโหหานอัตตาการทําให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจ เราลึกถึงความตายสบายนักนีอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะว่าในช่วง เ, เทศกาลปีใหม่นะเมื่อมาถึงแล้วนะแล้วก็ขณะที่จะช่วยเรายิ่งเดินเดินต่อไปเขาขอให้ตั้งจิตอยู่ในความไม่ประมาทโดยเราลึกถึงความตายอยู่เสมอเลือนลึกออย่างที่พระเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทนะ่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทถึงพร้อมเถิด คือท่านทั้งหลายจงทาเพื่อให้ถึงพรในความไม่ประมาณอันนี้แหละคือพร น, นะที่ประเสริฐที่อยากจะฝากไว้ให้กับพวกเราในโอกาสขึ้นปีใหม่ขอเจริญพรครับ